สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์ 081-915-3786 ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันตีมะอะอูดุบิลลาฮิมินัลชอตนุลราจีมบิสมิลลาฮุรลอฮ์มานุลรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินวัสซลาตุวัสสลามอลอัชรฟินอันบิยวมลี وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شره لصدر ويسر أمر وحل أقدة من لسان يفقه قولي اللهم لا سهلة إلا ما جعنته س ه ل ا وأن تجعلن هزنا إذا شئت سهلة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم, أن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من ا ل خ ا س ر ي ن ร ب บบ نا และตุ ق ิตก ah an ah, ุลบ نا بعد إذهاديتنا وهب لنا ملة ن د ُ كرعمة إنك أنت وهب رضيت بالله رب ا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺสุบฮหานะฮฺวะตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุ่นกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮหานะฮฺวะตาลาที่ทําให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสมานั่งเรียนแล้วก็มานั่งศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระดํารัสของอัลลอฮฺสุบฮหานะฮฺวะตาลาความภาคภูมิใจกับการที่เรานั้นได้เป็นเบ่าของอัลลอุบาาวต การที่เราได้นั่งฟังสิ่งที่เป็นพระดำรัสของอลัลลอสซุบฮานะฮฺวะตาลาานั้นถือว่าเป็นความปวดปานสูงสุดอีกประการหนึ่งที่พวกเราทุกๆคนจะต้อง รู้สึกสำนึกในกรุณาที่คุณของอล๊อกสุภานะหัวตาลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเราพูดคุยกันมาในการอถาธิบายอันกูร่าในสุรอัตตอริกแล้วก็เราก็อยู่กันนะครับในองค์การที่4ี่นะครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายองค์การนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความเข้าใจนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับหลังจากที่พี่น้องได้มีโอกาสในการที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังองค์การ อันกุร์านก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ในองค์การที่สี่นะครับเราอยู่กันในสุรัตตอริกนะครับเป็นสุรัตที่เราได้พูดคุยกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้ววันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะขยับไปนะครับในองค์การที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับอินชาอัลลอฮ์ในองค์การที่สี่ครับพี่น้องท่านใดที่มีอันกุร์านอยู่ในมือนะครับมีอันกุร์านแปลไทยอยู่ในมือพี่น้องก็สามารถที่จะนะเปิดอันกุรอานนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะ ดูตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับในองค์การที่สี่ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอ้าวอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรลราชีมอินคุลลูนับซิลลัมมาอัลัยห์ฮาฟิด นะนะวิชาการก็ได้อธิบายนะครับในองค์การนี้เพื่อที่จะให้พวกเรานะครับได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลานะครับว่าพระองค์กล่าวเนี่ยองการนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะบอกให้เรารู้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะในโลกใบนี้นะให้พวกเราได้คิดให้พวกเราได้พิจารณา ในสุรอัตอริกเป็นการบอกถึงการสันร้างของอลัลลอฮห س ب ح ا ن หัอาตาลาที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่ทำการประกาศนะครับในการสร้าง สิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮฺานะฮฺวะตาละกล่าวเอาไว้ในสุร้อนนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงดาวนะครับหรือจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกินความสามารถของการเป็นมนุษย์ที่จะทําได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาละประกาศสิทธิ์ประกาศความเป็นเจ้าของทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อเราไปดูนะครับในอายันกุรานองการที่4ที่อัลลอฮฺซุบฮฺานะฮฺวะตาละได้กล่าวนะครับนะอิงกุลลูเนบซิลลัมมา عليهاحافد หมายถึงนะครับไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรือแปลว่าทุกๆชีวิตนั้ น, นอัลลอสุบบฮานะฮฺวาตาล์บังเกิดมาในทุกทุกชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่โดยลำพังอิงกุลูนับสิลลา ม, มาอลัยฮะฮาฟิดเว้นแต่นะครับในประโยคนี้นะครับคำว่า นะลัมมาตรงนี้นะครับบอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นอาดาตุลิสติสนาหมายถึงอะไรพี่น้องครับอาดาตุลิสติสนานี้ก็หมายถึงเครื่องมือที่บอกกล่าวนะครับยกเว้นเป็นการยกเว้นเมื่อเพื่อที่จะเป็นการตัดตอนประโยคให้ได้รู้และให้ได้เข้าใจว่านะครับคำว่าอิงกุลลุนับสิลลัมมาไอเลหะหาฟิด ต, ตรงนี้เนี่ยนะครับอเลสุมตลาบอกมนุษย์ทุกคนหรือไม่มีมนุษย์คนใดนะครับที่ถูกบังเกิดมาและให้มีชีวิตอยู่โดยตามลาพังเนี่ย เว้นแต่คําว่าตรงนี้แหละครับคำว่าอดาตุนอิสติสนาเนี่ยความหมายมันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับอยู่ตรงไหนล่ะนะครับดูตรงคําว่าลัมมานี่ลัมมาเนี่นะครับพี่น้องมาเนี่นะครับนักวิชาการเขาอธิบายเลยนะครับอิงกุลนับสิลลัมมานะครับฟีลัมมาตรงนี้นักวิชาการที่อธิบายเอาไว้นี่นะครับในการอ่านของท่านอ้าวซิมนะครับแล้วก็ฮะฮัมซาอิบนาอามิร นะครับท่านอบูยาฟรัรนะครับได้อ่านแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าทุกๆคำอ่านของอญญายะ์อัลกุรอานนั้นมีที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อิอนนะครับอันนี้ก็คือนะครับิยอัลมุคฮัฟฟา อามินสักกีละนะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ว่าการอ่านคําว่าอินตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการทําให้มันอเบาลิ้นนะครับทําให้มันเบาลิ้นนะครับนะแล้วก็ลำมาตรงนี้พี่น้องครับคําว่าลำมาตรงนี้ลามอัลฟาริกาะนะครับหรือว่าลามอุฟาริกอะตรงนี้เป็นตัวที่จะมาแยกนะครับมาส่วนมาตรงนี้เขาบอกว่าเป็นมาซีไดลิตตะกีตหมายถึงเป็นตัวที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเน้นย้ําดังนั้นนะครับ เรื่องนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้นะความหมายของคำว่าอินกุลุนับซิลลามะไอเลฮะฮาฟิสตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาพระองค์กำลังบอกให้ได้รู้และได้ให้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนนะครับชีวิตทุกชีวิตที่ถูกบังเกิดมาบนโลกใบนี้นั้นเขาไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่โดยตามลำพังดังนั้นพี่น้องจะคิดไปเองนะครับ อาจจะบอกว่าตัวเองนั้นนะอยู่ตัวคนเดียวอยู่ตามลำพังโดดเดียวเดียวดายอันนี้คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคําว่าอนะิงกุลลุนับสินและมาอะไลฮ์ฮะฟิศเนี่ยถือว่าเป็นเจาวาบุล uh, ลิลกัสซัมหมายถึงอะไรครับเป็นคําตอบที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺหัวตาลาได้ทําการตอบนะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำการสาบานก่อนหน้านี้ในองค์การที่1นะครับที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺหัวตาลาสาบานกับดวงดาวนะสาบานกับดวงดาวที่ทอแสงที่ประกายแสงอยู่ในยามค่ําคืนและมันปรากฏในตอนกลางคืนเนี่ย นะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาลัทธิสุมาตราสาบาันกับมันเพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้นะครับว่านะบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรพี่น้องบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ลัลสุภาณนะหัวตะลาสร้างมันมาเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่ซึ่งมนุษย์หน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไม่สามารถที่จะสร้างได้ นะครับดังนั้นอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลตลาสาบานในแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยเป็นการสาบานที่สุดยอดและก็ไร้เทียมทานจริงๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เป็นสํานวนนะครับเป็นโวหารของอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลตลาได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับอ่ะพี่น้องครับไปดูนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลตลาได้กล่าวนะครับ นะเขาอธิบายกันแบบนี้พี่น้องครับนะอิกรุลนับศิลลมาอัลัยฮะหาฟิทอายุมามิ ان ان นอินซานินอิลละวะอัลเลฮิมะละอิกะตุนห้าฟาดอตุนนะครับห้าฟาดอตุนตรงนี้คําอธิบายประโยคนี้นะักวิชาการมุฟสิรีนไม่ว่าจะเป็นทับซีดของท่านอิบเนกาซีดนะครับทับซีดของอิมเนจริอตอัตตบารีทับซีดอัลวอซีดนะครับ ของลิลวาฮิดีนะครับแล้วก็ในทับซีดนะครับของอิบเนอตียะนะแล้วก็บายานอัลบายานฟีอักซามินกุรอาตนะครับของอิบลุกไกยิมนะก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับในทํานองเดียวกันเลยว่าตรงนี้นะครับอายุมามินอินซานินอิลละวะอัลเลหิมาละอิคัตุนฮะฟาลดาตุนดังนั้นในประโยคนี้เขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่ามนุษย์ทุกๆคนนะครับไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ถูกบังเกิดมาโดยที่เขานั้นไม่ มีผู้ที่ uh, ไม่ไม่มีผู้ที่ดูแลไม่มีผู้ที่ปกปักร right ักษานะครับเช่นเดียวกันในตับซิดของอินดิคซิดก็เช่นเดียวกันนะครับอธิบายเอาไว้แล totally. ้วก่อนหน้านี้ ayyukul n a ิ s i n alayha minallahi hafidun yahrusu minan a f a t หมายถึงอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺหัวตะลาจะให้การดูแลกับชีวิตทุกๆชีวิตเลยนะครับให้การดูแลชีวิตทุกๆชีวิตเลยท่านอิมดิกซิดได้ยิบยกอายาันกุรันอีกหนึ่งองค์การมาอธิบายเสริมซึ่งกันและกันกามาก็อเละตะอาลนะครับในซุรออัลรอะดูองค์การที่11อ็ดอลลอฮฺสุบบฮานะฮฺหัวตะลากล่าวว่ายังไงละหูนะครับละหูโมอัคคีบะละหูโมอัคคีบะตุมมิมไบเนียได ว่ามิลควาล์ฟีฮียัพฟัฎูนห์ฮูมินอ ا ل ริّ ه าอัลลอฮฺุบหฮาหัวตละกล่าวเอาอว้ในสุร ah, ่ะอัราะดูนะครับองค์การที่11บอกว่ายังไงครับองค์การที่11นี้อัลลอฮฺซุบหฮาน a um hi, e ay, h ต w a t ล l l a k นะครับในองค์การที่11เพื่อที่จะเป็นการอธิบายให้รู้เพิ่มเติมนะครับละหูมุอักิบาตุมมินไบยนียไดฮิแปลว่าอะไรนะครับสาหรับเขาละหูตรงนี้สาหรับเขาตรงนี้หมายถึงใครอะ นะครับแล้วฮูก็คืออัลมามลาอิกะหมายถึงสำหรับบรรดามมลมาลาอิกะหรือมลักษ์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่อะไรครับมุอคัคกีเบตุนมาลาอิกะนั้นเป็นผู้ที่เฝ้าคอยติดตามนะครับแปลว่าเฝ้าคอยติดตามมินไบเนียไดฮีนะครับติดตามาทั้งข้างหน้านคำว่ามินไบเนียไดฮีแปลว่าอยู่เบื้องหน้าของเขา เบื้องหน้าของใครอ่ะเบื้องหน้าของกุลลุนทัพซินไงของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อัลลอฮฺสุบบฮฺนะฮฺตาลาบังเกิดมาว่ามิลคลฟีฮีแล้วก็อยู่ทั้งเบื้องหลังของพวกเขาอ่มินอัมรินอ่อ่ายาฟซซูนวะว่ามิลคลฟีฮียาฟซซูนะมินอัมรินละอัลลอฮฺสุบบฮฺนะฮฺตาลาก็ได้กลา่าวเอาไว้บอกว่าบรรดามลักเหล่านั้นบรรดามวลมาไละกะเหล่านั้นนะครับจะทําตาม พระบัญชามิ n a m มริลลแปลว่าจะทําตามหรือปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัตตาลาอั Allah, าลลอฮ์สั่งให้เขาดูแลชีวิตทุกชีวิตสั่งให้เขาดูแลคอยอยู่เคียงข้างติดตามชีวิตทุกชีวิตนะครับมนุษย์ทุกคนที่ถูกบังเกิดมาแล้วก็ให้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลักหรือเราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าเทวทูตก็ได้ นะครับให้เทวทูต ท, ที่มาประจำกายมาอยู่กับตัวของมนุษย์นะฟิกุลินับสินในทุกๆคนเลยนะครับดังนั้นประโยคตรงนี้พี่น้องครับเป็นการบอกให้รู้ว่ามนุษย์จะไม่ได้ถูกบังเกิดมาเว้นแต่จะมีมลักษ์มีผู้ที่คอยดูแลคอยพิทักษ์รักษาเขาคนนั้น พี่น้องอาจจ ะ, ะมีความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเรามีผู้ที่คอยปกปักรักษาแล้วทําไมเรายังเกิดภัยพิบัติยังเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นกับเราอันนั้นคือในส่วนของบททดสอบนะครับให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้อันนั้นคือในส่วนของบททดสอบนะครับเอาล็าอตทาล็ประสงค์จะให้บรรดามวลมาเลคัสที่ติดตามตัวมนุษย์ทุกๆ ท, ท, ท่านเนี่ยทำการปกปักรักษาหรือว่าปกป้องให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นการแพ้พานหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเอาล็อกก็ทําได้นะ แต่คนหนึ่งคนใดที่ประสบกับภัยพิบัติหรือประสบกับนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบททดสอบของเขานั่นคือการกำหนดจากอัลลอ์และมาลย์ก็จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ س ب ح แะหัวตละลาเหมือนกับที่อายันกุรานองค์การที่อยู่ในสุรอะรอด์ดูองค์การที่สิบเอ็ดมาอธิบายซึ่งกันและกันนะครับบอกว่าอย่างไงครับละหูมูอะคีบะตุมมิบายนียไดฮิวมิลคัลฟิฮ ยาฟาซูนมินอัมริลาฮิอัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าและเขามาลักที่ประจำกายอยู่กับมนุษย์ในทุกๆคนเนี่ยนะเขาจะมาอยู่ทั้งเบื้องหน้าของมนุษย์นะครับเบื้องหลังของมนุษย์แล้วก็คอยพิทักรักษาคอยปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้น ไม่ได้ฟังมนุษย์นะครับมาเลากาสที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดทุกท่านเลยเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังเรานะเชื่อฟังคำบัญชาของอัลลอ์สุบฮานะหัวตาลัดเท่านั้นดังนั้นนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนก็นแล้วแต่พบเจอกับเพื่อนพ้องพี่น้องมุสลิมเนี่ยให้เรากล่าวสลามอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ได้มีเรายือนอยู่คนเดียวเวลาที่นบีบอกเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวสลามนะอัสสลามุอะลัยกุม คำว่ากุ้มเนี่ยคือพระหุภทที่เป็นสรร พ, พนามที่เรียกคนที่อยู่ต่อหน้าท่านมากกว่าสองขึ้นไปเนี่ยคำว่ากราฟูมิมกุ้มเนี่ยแหละครับพี่น้องก็คงจะแปลกใจเอเ อ, เอเราเนี่ยเดินมาคนเดียวนะแต่ว่าทำไมทาไ ม, าไมนบีสักให้เราอัสสลามุอะลัยกุ้มทำไมไม่อัสสลามุอะลัยกะ เฉพาะท่านคนเดียวเพราะอะไรละ่ะนบีรู้นบีเข้าใจนะครับว่ามนุษย์ทุกๆคนนั้นจะมีมลักที่อยู่รายร้อมในตัวเขานะครับทุกๆคนเลยดังนั้นนี่คือความสําคัญและเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไวนะ้นักวิชาการมุฟสซีรินบางท่านหยิบยกนะครับข้มากอลลอฮุตบา ร, รักาวะตาอาลลาในอายะฮ์อัลกุรอานในส ah ุร่าอัลอินฟิตอรสองค์การที่10 11แล้วก็12มาอธิบาย นะครับเพิ่มเติมอธิบายอาย่านี้แหละครับว่าอินนาอล่ยกุมลหาฟีซูลแท้ที่จริงแล้วในตัวของพวกท่านทั้งหลายนั้นหาฟิซูลมีผู้ที่พิทักษ์รักษากิรอมันแกทตีบินเป็นผู้ที่สงเกียิเป็นผู้ที่คอยจดบันทึกต่างๆยะมาลูนามาตัฟอาลูน อย่าม า, นะมาลูนะมาตาฟอลูนแล้วก็พวกเขารู้นะครับในสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายได้ประพฤติและปฏิบัตินี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่บรรดา น, นักวิชาการมุฟสิรินได้หยิบยกอายะอันกุรานมาอธิบายซึ่งกันและการเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลานั้นนะครับกล่าวถึงนะครับอิงกุลลูนับซิลลมมามะไอไลฮะฮารฟีดุนนะทุกๆชีวิตนั้นจะมีผู้ที่คอยพิทักษ์รักษาชีวิตของเขานะก็คือมนุษย์นั่นเอง ผู้ที่พิทักรักษาตรงนี้ก็คือทหารของอัลลอสุบหฮานะฮฺอัตละลาก็คือบรรดาเทวทูตหรือว่ามวลมาลาอิก้าของอัลลอสุบหฮานะฮฺวัตลตะลานั่นเอง ซึ่งมีการสำทับจากอายะฮ์อันกุรัดองค์การหนึ่งที่เราได้หยิบยกแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในซุรอรัดูที่ท่านอิหมาบอิมนนกาธีดราฮิมาฮุลละหยิบยกมาอธิบายหรือนะครับจะเป็นคําอธิบายของนักวิชาการท่านอื่นๆนะครับที่หยิบยกมาอธิบายยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอิมเนจริตอัตบารีนะครับตับซีดของอิมนนอาตียะนะครับตับซีดอัซาดีนะครับแล้วก็ในตับซีดของท่านอิมนโอไซมีนนะครับในยุสอัลมาท่านก็ได้อธิบายประมาณนี้ เช่นเดียวกันนี่ครับคือความสําคัญคือสิ่งที่เราได้นะครับจากบรรดา น, นักวิชาการที่ทําหน้าที่ในการอถาธิบายอันกรานให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับอ้าวพี่น้องครับไปดูองค์การต่อไปนะครับในองค์การต่อไปที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลลอฮตละกล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่5อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลลอฮตละกล่าวว่าอย่างไรเราไปดูกันนะครับองค์การที่5ครับ ف َ ل ْ ي َ ن ْ ظ ُ ر ِ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ مِمَّا خُلِقَ. นะครับพี่น้องดูนะฟัลยันดูริลอินานุมิมมคลนะฟัลยันดูริลอินนฟะฟาอัฟฟาตรงนี้นะครับฟ้ à, าอัตฟาเป็นฟาที่ทาให้เช sal ื่อมนะครับคว่าย sure ันดูริยันดูรินะครับฟาอัตฟ้าแล้วก็มีลามด้วยความจริงแล้วอ่านติดกันเป็นฟันฟาอฟาแล้วก็ละยะละยันดูรินะครับอ่านเป็นฟัลยันดูรินะครับลามตรงนี้เขาบอกว่าเป็นลามนะครับลาม รามรามุลมอัมรินะครับเป็นรามของคําสั่งใช้เป็นรามที่บ่งบอกถึงการสั่งใช้นะครับคบําว่ายันจุรยันจุรตรงนี้นะครับเฟียลุมูดอรแรก็คือคํากิริยาที่เป็นปัจจุบันการนะครับแต่มีสํานวนเป็นการสั่งใช้นะครับ อ, อัลอินซานูคําว่าอัลอินซานูนะครับ อันอินซาヌนะครับคำว่าอันอินซานヌเป็นอิสมุนมารฟูอันนะครับเป็นคํานามที่อ่านเป็นสระดอมมะมิมมะฮารฟุนะครับฮารฟุฮารฟุจารินแล้วก็เป็นอิสมุนเมาซูลด้วยนะครับมีมิมอามะอีคูเลี้ยวก็คูลี้ก็เป็นฟิอาลุมาดินนะครับเป็นคํากิริยาในอดีตการที่นะครับถูกทำให้ถูกตัดในส่วนที่เป็น ประธานในประโยคออกไปนะคำว่าคําเดิมเนี่ยอ่านว่าขอแล้วก็นะครับแต่ในประโยคนี้คํานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺว่ตะลาใช้คําว่าคูลีโก็คอแล้วก็แปลว่าสร้างนะครับแต่คําว่าคูลิโก็แปลว่าถูกสร้างเพราะว่าเป็นเฟียมาดินมาบเนรุลมาจหุนหมายถึงตัดประธานในประโยคออกไปอา้าวยังไง่ะสาคัญยังไงพี่น้องไปดูนะครับสิ่งที่นักวิชาการมุฟัสซิรินได้หยิบยกอถาธิบายนะครับคําแต่ละคําที่อยู่ในนะครับ ในอะไรครับในอายันกุรันองค์การนี้นะครับบอกว่าในอายันกุรันองค์การนี้เองนะครับอลัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาได้กล่าวถึงนะสิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกกับพวกเราผู้ศรัทธาทุกๆคนหรือให้ได้รับรู้ให้ได้รับทราบนะครับว่า เมื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตลักล่าวคำว่าฟัลยันดูริลอินซานูมิมคูลกาะนะครับอันนี้นักวิจาการก็อธิบายเลยนะครับเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตตะลกล่าวในประโยคก่อนหน้านี้นะครับประโยคก่นหน้านี้ก็คืออะไรอ่ลัมมาดะคารานากุลและนัสินอไลฮะฮาฟิุณนะครับเมื่ออัลลอฮ์สุบตะลักล่าวถึงทุกๆชีวิตนั้นจะมีผู้ที่พิทักษ์รักษานะครับอัลตตบะะดะลิกะบิวสิยติลอินซานบิล ใารีในอวลอัมริฮิวชะาวานชติฮิอัลอูละนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮุุบฮานะฮวตะตะลก็ได้อธิบายนะครับถึงคุณลักษณะของมนุษย์ด้วยกับการดูด้วยกับการมองนะครับในช่วงแรกที่อัลลอสุบฮานะฮวะตะละได้เริ่มต้นนะการอะไรครับการะนะการวิวัฒนาการที่อัลลอสุบฮานะฮวตะตะลไ ด, ได้ได้กล่าวกับตัวมนุษย์เองนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับ ขยันกุรัต อ, อง์การนี้อัลลอสฺซุบฮานะฮฺว่าตาลาบอกว่าฟัลยันดูริลอินซานุดังนั้นฟ้านะครับจงตรึกตรองหรือว่าจงดูสิฟัลยันดุตนะครับแปลว่าจงดูสิจงพิจารณาจงไตรตรองนะครับอยู่ในความหมายของคำคำนี้เลยมนุษย์เนี่ยจงดูสินะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะโคลีก็เขาถูกสร้างหรือถูกบังเกิดมาจากอะไร ถูกบังเกิดมาได้อย่างไรอัลลอฮหหุอักบรกะบีรอพี่น้องครับอันนี้เป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะได้กระทำการพินิจพิจารณานะครับเหมือนกัน เหมือนกับที่นักวิชาการอธิบายเลยนะครับอัตบะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาได้ติดตามการให้คุณนนั้นลักษณะของมนุษย์ด้วยกับการเชิญชวนให้มนุษย์นั้นใช้ในการพิจารณานะครับการมองในช่วงการเจริญพันธุ์หรือว่าในช่วงของการเจริญเติบโตในช่วงแรกๆฮะต้ายะลมะอันนั้นมันอันชาอันชาหูกาดิรุนอาลาอีอาดะติฮีอาลาอีอาดะติฮีนะวะจาซัยฮี ฟะย์อล ذ ل ك ล้วละไม่อาูหบนที่ให้ผู้ที่ที่ไม่อยู่บนที่ให้ผู้ทีบาี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่วี่ที่ที่ที่ที่ที่ี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทอ่ที่ที่ที่ที่ที่าี่ี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่อี่ที่ที่่่ี่ นะครับจนกระทั่งเขาเจริญพันธนะ์มีพล ะ, ะกำลังนะครับในการาที่จะดารงชีวิตอยู่แล้วกนะ็กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมแล้วก็กลับไปสู่การตอบแทนของอลัลลอสซุบฮานะฮวตลทั้งหมดทั้งปวงนะครับอลัลลอฮฺซุบฮฺตะลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตลาได้กระทาเอาไวา้ให้มนุษย์ได้รู้และพิจารณา นะครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับโดยตับสิดของอินิจริตอัตตบรีนะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็อิมนิกซิดนะครับได้อธิบายเอาไว้ตรงกันตรงนี้นะครับฟันยันซุริลอินซาโนมิมมคเลีกานะครับหมายถึงไอ้ฟันยันซริลอินซาโน ม, มูตะกะฟัฟฟรน นะครับมุตกฟิรอนมินอายิใช่อินขอละกอหูรบบหูสุบฮานะหวตะอลนะครับตรงนี้นะครับท่านอธิบายว่ายังไงมนุษย์จงพิจารณาดูนะครับจงพิจารณาดูนะว่าคนที่นะครับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอสุบหฮานะหัวาตาละเขาจะพบสิ่งใด นะครับเขาจะได้พบเจอกับสิ่งใดเขาจะได้เจอกับอะไรนะครับดังนั้นให้พิจารณาดูนะใช้สติใช้สัพปพปัญญะให้ดีแล้วก็มนุษย์เนี่ยอัลลอสุบฮานะฮหัวแต่ละสร้างเขามายังไงเพื่อที่จะให้รู้ถึงผู้สร้างที่แท้จริงเพื่อที่จะได้ให้ขอบคุณต่อพระผู้สร้างที่แท้จริง นะครับนี่เองนะครับนักวิชาการหยิบยกอายอันกุรานมาตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับหยิบยกอายันกุรันในโซร์ไอเบซ่าองค์การที่สิองค์การที่สินะครับท่านอิมนิกาซิดรอหิมาฮุลล์ได้หยิบยกมาอธิบายนะครับอธิบายว่ายังไงล่ะอธิบายในส่วนของอคําว่าฟันยันซุริลอินซานุมิมมาโคเล ก, กะนะครับ จงพิจารณาดูสิว่ามนุษย์นั้นถูกสรรสร้างถูกบังเกิดมาอย่างไรกลมาก้อละตาอาลาซึ่งอัลลอฮุซุบะฮานะฮุวาตาลาได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วเจอกนเช่นเดียวกับคําดํารัสของพระองค์ที่ได้กล่าวเอาไว้กูติลาอินซาヌมะอัคฟาลนะครับกูตีลัาอินซานヌมะอักฟาลมนุษย์เนี่ยถูกสังหารให้ตายเสียนี่ก็ดีนะครับมินไอ ย, ยีใช่อิลคอละก็ด้วยกับสิ่งใดเล่าที่พวกเขาได้บังเกิดมาที่อัลลอฮุซุมตาลาสร้างพวกเขามา อัลลอฮุอัคบัดนี่คือการบอกกล่าวให้ได้รู้นะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งใดนะครับอัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลาเรียกร้องเชิญชวนให้มนุษย์ได้ใช้สติปัญญาท่านอิหมะอุมนิกษิดอธิบายอายอันกุรันองค์การนี้เพิ่มเติมนะครับแต่บีฮุลลินอินซาเนียลาดะฟีอัสลีฮิละตีคูเลกามินหูอัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลาได้เน้นย้ำได้ให้ความสําคัญแล้วก็นะครับได้ บอกถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เขานั่นอยู่ในสภาพที่มีความอ่อนแอในช่วงเริ่มต้นแล้วก็จนกลายมาเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง และอัลละฮ์ุบตาะก็สร้างเขาว่าอิรชาดุลและพระองค์ก็ได้ทรงชี้แนะเขาชี้แนะใครมนุษย์ไงล่ะครับอิลาอัลิัติรฟิบิลมาอาดีให้เขาได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆและเรื่องราวที่เขาจะต้องกลับไปกลับคืนสูส่อัลละ์สุบฮานะฮูวาตาลาเลียนน์มันกาดาร์อัลเบออัลเบดาตินะคบอัลดาติวะฮูวากาดิรอัลอลัอีอาดติ บิทอรีกิลูลาเขาเริ่มนะครับเริ่ม นะด้วยกับอะไรสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺตะลาได้ ก, กําหนดให้เขาเริ่มมาจากสิ่งใดนะมีความสามารถขนาดไหนแล้วก็เขาก็จะต้องกลับไปสู่หนทางอันดั้งเดิมหรือว่าหนทางในช่วงแรกจากที่เขาเริ่มมามนุษย์ถูกเริ่มมาจากอะไรพี่น้องครับความอ่อนแอและท้ายที่สุดเขาก็จะกลับไปสู่ความอ่อนแอนะครับเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺตะลาได้ ก, กล่าวเอาไว้นะครับในซุร่าอัรูมพี่น้องครับ นักวิชาการมุฟัตซีริ น, นะครับท่านอิบนกาซิราฮิมาฮุลลอ์หยิบยกอายะอันกุรันในสุรอัรุมเพื่อที่จะบอกและก็อธิบายสำทับเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่อั ah ลลอสุบฮานะฮัวตะลากล่าวเอาไว้ในสุรอรุมองการที่27นั้นเป็นอย่างไรพี่น้องดูนะครับนักวิชาการหยิบยกอายะอันกุรันองกนี้มาบอกให้กับพวกเราฟังนะครับบอกว่าอย่างไงพี่น้องครับัว ล, ละี่ะยบด้อลกลักุมมะยูไอดูฮวะฮว อ่าวะนูอายแปลว่าอะไรพี่น้องไปดูความหมายกันนะครับวัน ล, ละดียับดาอูแปลว่าอะไรและพระองค์ก็คือผู้ที่ทรงเริ่มต้นเริ่มแรกในการอะไรครับยับดาอูขั้ในการสรสร้างนั่นเองตุ้มมาโยอูู้แล้วอัลลอสุซุบะฮานตะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทำให้มันกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะครับ วัวหัวอหัวนูอา้ายไรฮีและมันก็เป็นการง่ายสําหรับพระองค์อัลลอฮ์สุบะฮานะหัวตาลานะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําได้ทรงปฏิบัติเอาไว้ดังนั้นเป็นเรื่องเล็กมากเลยที่อัลลอฮ์สุบะฮานะหัวตาลาสร้างมนุษย์มาและให้เขาเจริญพันธ์เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็พระองค์จะทรงทําให้มนุษย์นั้นกลับไปสู่สภาวะดั้งเดิมความอ่อนแอเหมือนเดิมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับอัลลอฮ์สุบะฮานะหัวตาลาดังนั้น พี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กําลังบอกว่านี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลานะครับที่บ่งบอกให้รู้ว่าใครจะทําได้แบบนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลานะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพี่น้องครับอินชาลอสในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาทราบกันว่าอัลลอฮฺสุลต่านกำลังจะลงลึกถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสรรสร้างมนุษย์อย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดละออมากแล้วก็ เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากสําหรับพี่น้องที่จะได้ติดตามกันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับติดตามกันในส่วนของทับซสารุรานกุรอานในซุรุตอตลิกครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับบารลอหัวหรืออยเตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามูอะลัยกุมุอะลัยฮุตุลลอฮ์ะวฮะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมอผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ